บทความเรื่องคุณลักษณะพิเศษของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพปฐกถาของศาสตราจารย์กิติคุณแสงจันงามในการบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์สุชีปุญญานุภาพวันพระหั ส, สบดีที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2543น้าสาณศาลากวีนิรมิตวัดเทพสิรินทราวาสจากนิตยาสารธรรมจักสุ ปีที่85ฉจบับที่2ขอบคุณที่มาข้อมูลจากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมเสียงอ่านโดยโจโฉขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปัญญาจารย์พระเทรานุเทระท่านเจ้าภาพญาติมิตรสิทธิ์ของท่านอาจารย์สุชีปุญญาณุภาพทุกท่าน เมื่อไม่กี่วันมานี้กระผมได้รับโทรศัพท์แจ้งให้ทราบว่าวันที่25บห้านี้จะมีการทำบุญสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์สุชีปุญญานุภาพในนามของสิทธิ์เก่าหลายรุ่นกระผมก็ยินดีรับที่จะมาบรรยายด้วยความเต็มใจทั้งๆ ท, ที่อยู่ไกลและมาลำบากแต่ด้วยความเคารพรักในท่านอาจารย์และเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพ กระผมเองออกจะโชคดีที่ได้มีโอกาสรู้จักกับท่านอาจารย์สุชีพอย่างค่อนข้างใกล้ชิดเพราะว่ากระผมเป็นนักศึกษารุ่นแรกของสภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์สุชีพเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2489หลังสงครามใหม่ๆตอนนั้นอาคารเรียนยังไม่มีเป็นของตนเองต้องไปอาศัยเรียนที่ตึกหอสมุดเก่าของมูลนิธิ ที่หน้าวัดบวรนิเวศสมัยนั้นยังไม่มีอาจารย์ประจําอย่างสมัยนี้อาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์สุดชีพจึงทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและถ้าอาจารย์พิเศษไม่มาท่านก็เข้าสอนแทนแทบจะทุกวิชาเพราะฉะนั้นพวกเราในรุ่นที่สองและสค่อนข้างจะใกล้ชิดกับท่านมีโอกาสรู้จักกับท่านเป็นอย่างดีและยิ่งกว่านั้น กระผมเองยังมีโอกาสได้เป็นปัจชาสมณะคือเป็นพระภิกษุผู้ติดตามพระอาจารย์ไปประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาพุทธศักราช2493หลังจากประชุมที่ศรีลังกาแล้วยังได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานในอินเดียด้วยกันอีกเป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์เรียกว่าได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านมาอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้น เรื่องที่กระผมจะพูดในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่จะเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเวลาก็ผ่านไปเป็นเวลานา น, านหลายสิบปีแล้วและความจำของคนเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าหากขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยต่อท่านผู้ฟังนะครับท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพเท่าที่ผมได้ศึกษาสังเกตท่านมาเป็นเวลานา น, าน ได้พบคุณสมบัติพิเศษของท่านอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันในวันนี้จะนำมาบรรยายแต่เพียงบางอย่างเท่าที่เวลาจะกำหนดให้ประการแรกท่านอาจารย์เป็นบุคคลที่เป็นนักปรัชญาสมชื่อท่านที่ผ่านวิชาปรัชยามาแล้วก็คงจำได้ว่าคำว่าปรชาัชญาภาษาอังกฤษคือฟ l o s o p h y ซึ่งมาจากภาษากรีกฟ h i ล o ซเฟีย ฟิโลสแปลว่ารักโซเฟียแปลว่าความรู้เพราะฉะนั้นนักปรัชญาแปลว่าผู้รักในความรู้ผู้ใฝ่รู้ผู้สแสวงหาความรู้ตลอดเวลาท่านอาจารย์สุชีเป็นนักปรชัชญาเป็นผู้รักในความรู้อย่างแท้จริงให้สแสวงหาความรู้จนกระทั่งได้บรรลุถึงชั้นภูมิสูงสุดทั้งในทางโลกทั้งในทางธรรมในทางธรรมนั้น ท่านอาจารย์สอบได้ปริียนธรรม9้าประโยคเมื่อปีพุทธศักราช2482ได้เป็นปริียนธรรม7ประโยคตั้งแต่เป็นสา ม, มนเณรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงว่าความรู้ความสามารถของท่านในทางภาษาบาลีแตกฉานเพียงใดแทบจะกล่าวได้ว่าประไตรปิฎกท่านอ่านเข้าใจแจ่มแจ้งถี่ถ้วนทั้งสามปิดกส่วนความรู้ทางโลกของท่านนั้น สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่มีหลักสูตรการเรียนและยิ่งกว่านั้นยังห้ามไม่ให้พระเรียนวิชาทางโลกเช่นภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนไม่ได้ไม่มีหลักสูตรให้พระเรียนในวัดก็ไม่มีเพราะถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นวิชาชั้นต่ำไม่เหมาะสมสาหรับพระเนนเพราะฉะนั้น พระสงฆ์สมณีนที่อยากเรียนวิชาวความรู้ทางโลกต้องแอบเรียนเรียนแบบหลบหลบซ่อนๆท่านอาจารย์สุชีปุญญาณุภาพท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านเห็นว่าพระจะมีความรู้แต่ในทางธรรมะอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีความรู้ในทางโลกด้วยท่านจึงขวนขวายแสวงหาความรู้ในทางโลกด้วยตนเองภาษาอังกฤษได้ทราบว่าท่านเรียนด้วยตนเอง จนสามารถมีความรู้แตกฉานอ่านฟังเขียนพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีซึ่งหาได้ยากมากคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วใช้ได้ทุกอย่างกระผมได้ฟังท่านพูดภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกเมื่อเข้าเรียนมหามากุตราชวิทยาลัยปีที่หนึ่งพุทธศักราช 2,489 สมัยนั้นนายกพุทธสมาคมแห่งกรุงลอนดอนมาเยี่ยมสภาการศึกษามหามากุฑราชวิทยาลัย กระผมเห็นท่านอาจารย์สุชีพพูดภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์เพราะว่าเสียงที่พูดออกมามันมีแต่เสียงฟุดฟิดฟอร์ไฟฟูฟูฟีฟี่มันคล้ายกับเสียงงูเหา่าเราเรียกกันเล่นๆ่นว่าภาษางูเหา่ารู้สึกอัศจรรย์ใจมากว่าพูดได้อย่างไรตั้งใจลงไปตั้งแต่ขณะนั้น ว่าเราจะต้องพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้พูดให้ได้อย่างท่านต้องนับว่าท่านเป็นแบบอย่างในการปลุกให้เราตื่นในเรื่องการศึกษาหาความรู้ในทางภาษาสันสกฤตนั้นทราบว่าท่านเรียนจากท่านสวามีสัตยานัฐบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองท่านสวามีสัตยานัฐบุรีมีชื่อเสียงมาก เป็นนักปราชาวอินเดียที่มากระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวทางวิชาการทางปรชัชญาท่านอาจารย์สุชีพได้ไปเรียนภาษาสันสกฤตกับท่านสวามีสัตยานันทบุรีแล้วก็มีความรู้แตกฉานมากพอๆกับภาษาบาลีก็นับว่าเป็นนักเรียนนักรู้ฝ่สแสวงหาความรู้ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างของพวกเราเป็นอย่างดีนอกจากนี้ ท่านอาจารย์ยังมีความรู้ทางอื่นอื่นอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองคุณสมบัติประการที่สองของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพคือความเป็นครูที่สมบูรณ์แบบท่านสอนพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างที่กระผมกราบเรียนเมื่อตอนต้นว่าท่านเป็นครูประจาคนเดียวในยุคนั้น ถ้าครูอาจารย์อื่นๆไม่มาต้องเข้าสอนแทนบางทีท่านต้องฝึกฝนพวกเราโดยวิธีการต่างๆเพื่อให้เรามีความรู้ความสามารถที่ท่านฝึกฝนเป็นประจำก็คือเวลาครูไม่มาก็ให้พวกเรานักศึกษาฝึกพูดฝึกอธิบายธรรมะฝึกตอบโต้คำถามท่านบอกว่าเราจะได้สามารถอธิบายธรรมะให้คนไทย และคนต่างประเทศฟังได้ในอนาคตพวกเราก็ได้ฝึกฝนบางทีก็มีการอภิปรายมีการโต้วาทีกันความรู้ความสามารถที่พวกเรามีตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงบัดนี้ก็เพราะความฝึกฝนเอาใจใส่ของท่านอาจารย์นอกจากนั้นท่านอาจารย์ยังเน้นเป็นพิเศษในวิชาพระพุทธศาสนาสอนเสมอว่า วิชาทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงส่วนประกอบนำมาเพื่อการช่วยอธิบายธรรมะให้แจ่มแจ้งเท่านั้นแต่วิชาที่เป็นหลักคือพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายพวกเราสมัยนั้นอาจจะเป็นเพราะยังหนุ่มและมองไกลไปนอกตัวจึงมองข้ามความสาคัญของพระพุทธศาสนาอย่างกระผมเองก็ไม่ค่อยเห็นความสาคัญของวิชาพระพุทธศาสนา กลับไปให้ความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าต่อมาในตอนหลังเมื่อเราได้มาเผชิญโลกได้เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนคนอื่นเราถึงได้เห็นว่าคาสอนของท่านเป็นความจริงทุกประการเวลาเราอยู่ในมหาวิทยาลัยทางโลกนั้นเขาไม่ได้ถามเราหรอกว่าฟิสิกส์เป็นอย่างไรเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างไรธรณีวิทยาเป็นอย่างไรเพราะเขารู้ดีกว่าเรา แต่เขามาถามวิชาทางพระพุทธศาสนามาปรึกษาปัญหาชีวิตเราก็ต้องนําธรรมะทางพระพุทธศาสนามาช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้เขาเพราะฉะนั้นจึงนึกถึงอาจารย์ทุกครั้งที่ประสบปัญหาในการอธิบายธรรมะและถ้ามีเวลามากรุงเทพมาพบท่านก็ต้องไปกราบเรียนถามท่านท่านก็ให้คําตอบที่แจ่มแจ้งทุกครั้ง เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงเป็นครูที่เอาใจใส่สั่งสอนฝึกฝนพวกเราอย่างอุทิศทุ่มเทไม่เห็นแก่นเหน็ดเหนื่อยสําหรับกระผมนั้นได้ความรู้จากท่านอาจารย์มากมายครับแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับกิริยามารยาทเล็กน้อยท่านก็สอนหมดคราวที่เราไปประเทศอินเดียคืนวันหนึ่งหลังจาก น, นมัสการพุทธคยาสถานที่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว พวกเราจะขึ้นรถไฟไปยังเมืองพาราณสีเพื่อไปนมัสการสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงประถมธรรมเทศนาตอนเย็นมืดฝนตกรถไฟเข้ามาสถานีท่านทั้งหลายที่เคยผ่านอินเดียก็คงนึกถึงภาพว่าในอินเดียนั้นการขึ้นรถลงรถไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถประจำทางใดๆมันเหมือนจะราจนคือคนจะลงก็ต้องแย่งกันลง คนจะขึ้นก็ต้องแย่งกันขึ้นส่งเสียงดังสนั่นวันไว้อุตรุดแล้วลองคิดดูครับพวกเราเป็นพระแล้วต้องแย่งขึ้นรถไฟกับชาวอินเดียนับร้อยประตูแคบแค่ประตูเดียวจะฉุกละหกแค่ไหนแต่ท่านอาจารย์ไม่ย่อท้อคนดันขึ้นดันลงนับร้อยท่านจูงแขนกระผมดึงแขนกระผมแทะขึ้นไปบนรถจนได้กระผมแทบจะร้องไห้ ขอเรียนตามตรงไม่เคยพบสภาพอย่างนั้นพอขึ้นไปในรถแล้วไม่มีที่มีแต่ที่ยืนอย่างเดียวแล้วที่ยืนอื่นก็ไม่มีบังเอิญไปได้ที่ยืนหน้าประตูส้วมพอดีเราก็ยืนเฝ้าประตูส้วมอยู่ตลอดคืนจนกระทั่งไปถึงกรุงพาราณสีในตอนเช้าไม่เป็นอันหลับอันนอนตอนขึ้นไปทีแรกกระผมเห็นสภาพรถแล้วกระผมบอกท่านอาจารย์ว่า อาจารย์ครับเราลงไปก่อนไม่ดีหรอือรอคันหลังอาจจะคนน้อยกว่านี้อาจจะพอมีที่นั่งบ้างท่านอาจารย์มองดูหน้ากระผมแล้วก็บอกว่าแสงเอ้ยสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ของเรานั้นสเสด็จจากเมืองนี้ไปยังเมืองพาราณสีเป็นระยะทางเกือบสามอกิโลเมตรด้วยพระบาทไม่มีรถไฟไม่มีรถยนต์ไม่มีเรือแต่เราเนี่ย ยังดีกว่าพระองค์ท่านตั้งหลายร้อยเท่าเพราะเรามีรถไฟเพราะฉะนั้นลําบากนิดหน่อยทนเอาหน่อยกระผมแทบจะกราบแทบเท้าของท่านอาจารย์เป็นบทเรียนอันมีค่าที่สุดที่ท่านสอนให้เรามีความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอันว่าคืนนั้นทั้งคืนไม่ต้องนอนกันเพราะเราอยู่หน้าประตูซุม่มพอทําท่าจะหลับสักประเดี๋ยวมาแล้วครับโครมโครม ข้ามหัวข้ามหางคนมาเราก็ต้องลุกขึ้นให้ทางก็นั่งดมกลิ่นไม่สะอาดไปตลอดคืนจนกระทั่งไปถึงพาราณสีอันนี้เป็นบทเรียนและแสดงให้เห็นคุณสมบัติอันประเสริฐของท่านอาจารย์ที่มีความอดทนทระหดเฉพาะตัวท่านอาจารย์เองถ้าว่าไปแล้วก็เป็นผู้ที่สุขุมมารชาติมากแต่ท่านยังมีความเข้มแข็งอดทนยิ่งกว่ากระผมอีก อันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งในหลายๆอย่างที่ท่านสั่งสอนผมมาอีกประการหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คืองานของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นนักเผยแพร่ธรรมะแนวใหม่แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำในยุคนั้นคือการที่พระยืนแสดงปาทกถาธรรมต่อหน้าสาธารณชนสมัยก่อนนั้นไม่เคยมีท่านอาจารย์เป็นพระแทบจะเป็นรูปแรก ที่แสดงธรรมะโดยวิธีแสดงปาทกถาธรรมแล้วก็แสดงด้วยภาษาที่เป็นภาษาง่ายๆสละสลวยฟังง่ายเข้าใจง่ายท่านนำธรรมะที่ลึกซึง้งยุ่งยากมาอธิบายเป็นเรื่องธรรมดาท่านอาจารย์เป็นนักปราชญ์ทางพุทธเน้นตลอดเวลาว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมชาติมีอยู่ในตัวของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง 84% พันพระธรรมขัน ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายธรรมะต้องน้อมเข้ามาสู่ตนโอปัญิโกชี้ให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมดาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้สอนธรรมะให้เป็นของเป็นให้เป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจเหมือนตัวเราอย่าให้เป็นของตายที่อยู่ในหนังสือเท่านั้น ก็เป็นแนวทางที่ทำให้สิทธ์ทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยได้พยายามตีความธรรมะในแนวใหม่ในแนวที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันสืบมาในกรุงเทพสมัยนั้นผมคิดว่าท่านเป็นนักปัตกถาธรรมที่เด่นที่สุดได้ยินชื่อว่าสุชีโวพิกุไม่ว่าท่านจะพูดที่ไหนคนก็หลั่งไหลไปฟังติดตามฟัง ติดใจในท่วงทานองการพูดที่งดงามเรียบร้อยติดใจในเนื้อหาธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ว่าฟังง่ายตลอดจนติดใจในรูปสมบัติของท่านด้วยส่วนทางภาคใต้นั้นมีท่านพุทธทาสเน้นธรรมะชั้นสูงเน้นนิพพานแต่ก็ดีในแง่ที่ว่าท่านก็ดึงมาให้เป็นประสบการณ์ของชีวิตสอนธรรมะชั้นสูงแบบเป็นของเป็น ไม่ใช่ของตายทางภาคเหนือก็มีท่านปัญญาณันทภิกขุพูดลื่นไหลธรรมะง่ายๆฟังเพลินฝ่ายค า, า, ารวะนั้นมีพันเอกปิ่นมุทุกกันพูดธรรมะง่ายสนุกสนานเพลิดเพลินเกี่ยวกับชีวิตไปพูดที่ไหนก็มีคนตามฟังสมัยนั้นแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของการเผยแพ่ธรรมะในแนวใหม่ ยิ่งกว่านั้นท่านอาจารย์ยังมีความคิดรเริ่มที่เป็นผู้นำอีกนั่นก็คือการเผยแผ่ธรรมะด้วยธรรมนิยายหรือนิยายอิงหลักธรรมท่านได้เขียนนิยายอิงหลักธรรมขึ้นเรื่องแรกคือเรื่องใต้ร่มกาสาวพัทตอนนั้นกระผมเองยังเป็นสมเณรอยู่ในต่างจังหวัดอายุสิบห้าได้อ่านใต้ร่มกาสาวพัทีละตอนทิละตอนที่โงในธรรมจักรสุ พออ่านจบตอนหนึ่งก็กระหายอยากอ่านตอนที่สองตั้งตาคอยเมื่อไหร่น้อธรรมจักรสุจะมาและสมัยนั้นเป็นสมัยสงครามธรรมจักรสุก็ออกไม่ค่อยตรงเวลากระดาษก็สีแดงกระดาษสีม อ, มอไม่ค่อยสดใสเพราะกระดาษหายากเต็มทีกระผมคิดว่าใต้ร่มกาสาวพัฒเป็นงานกวีนิพน์ชิ้นแรกของท่านอาจารย์ และอยากจะพูดว่าเป็นชิ้นสุดท้ายด้วยเพราะว่าบรรดาความดีงามความสูงสง่งความสามารถในทางวรรณกรรมวรรณคดีนั้นท่านได้รวมลงในหนังสือเล่มนี้แทบทุกประโยคทุกข้อความมีความงามของภาษากระผมยังจำประโยคนี้ได้ว่าดูก่อนพราดาก้องอยู่ในโสดภาษาตลอดเวลาเป็นภาษาที่งดงามเลกเกิน กระผมยังคิดอยู่ว่าสมัยนั้นเป็นสามเณรอยู่สักวันหนึ่งจะต้องพยายามเขียนธรรมนิยายเรียนแบบท่านอาจารย์สุชีพให้ได้ต่อมาก็ได้จังหวะคือเมื่อปีพุทธศักราช2493ได้ติดตามท่านไปประเทศศรีลังกาเวลาว่างๆก็คิดพล็อตเรื่องที่จะเขียนพอไปอินเดียก็เห็นสภาพภูมิประเทศที่อินเดียก็นึกเอาฉากต่างๆในประเทศอินเดียนั่นแหละ แล้วตอนอยู่ที่ประเทศศรีลังกานั้นสุภาพสตรีชาวศรีลังกานิยมตั้งชื่อว่าลีลาวดีเป็นชื่อที่แพร่หลายมากในศรีลังกาฟังดูรู้สึกว่ามันเพอรด์ดีถ้าเราดัดแปลงเป็นไทยว่าลีลาวดีก็คงจะเข้าทีในที่สุดตอนกลับจากศรีลังกาก็มาเริ่มเขียนเรื่องลีลาวดีลงพิมพ์ในหนังสือวารสารศึกษาก่อน ทยอยลงเป็นตอนๆเมื่อจบแล้วก็รวมเล่มให้สำนักพิมพ์อุดมศึกษาพิมพ์ปรากฏว่ามีคนนิยมชมชอบพิมพ์ก็คงจะหลายสิบครั้งเวลานี้ได้นํามามอบให้มหาบุรุษราชวิทยาลัยพิมพ์ครบทั้งสามเล่มเป็นชุดก็ได้ทราบว่าเป็นที่นิยมมากพอสมควรที่ได้นํามาเล่านี้ก็เพียงเพื่อแสดงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าผลงานที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นั้น เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้สิทธ์ทั้งหลายได้พยายามเอาเป็นแบบอย่างกระผมก็ได้พยายามแม้จะไม่ประสบความสำเร็จงดงามเหมือนท่านแต่อย่างน้อยก็ถือได้ว่าดำเนินรอยตามครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วสินซึ่งเขียนที่หลังกระผมแต่ท่านเขียนเก่งมากกระผมคิดว่าคงหลายสิบเรื่องแล้วสาหรับธรรมานิยาย และหนังสือตำราตําราอีกหลายสิบเรื่องอาจเป็นร้อยเรื่องก็ได้ท่านผู้นี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ดำเนินรอยตามอาจารย์ในแง่ของธรรมนิยายเหมือนกันแต่หลังจากนั้นมายังไม่ปรากฏสิทธิ์รุ่นหลังๆยังไม่มีใครผลิตผลงานที่เป็นธรรมนิยายที่มีชื่อขึ้นมาหรือจะมีแล้วกระผมยังไม่ได้อ่านก็ไม่ทราบถ้ามีก็ขออ่านด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าไม่มี ก็ขอฝากไว้ให้คิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่จะดำเนินรอยตามบุรภาจารย์ผลิตหนังสือธรรมะในรูปของธรรมนิยายขึ้นมากๆเพราะคนนิยมอ่านและเป็นการสอนธรรมะอย่างดีที่สุดในด้านตำราตำราและหนังสือชุดทั่วไปนั้นกระผมคิดว่าท่านอาจารย์ได้เขียนไว้มากมายไม่น้อยกว่าท่านผู้อื่น และ ต, ตำราตำราของอาจารย์นั้นอยู่ในขั้นมาตรฐานเชื่อถือได้ในทางวิชาการมีหลักการอ้างอิงอย่างถูกต้องหนังสือที่กระผมยกย่องที่สุดกระผมคิดว่าเป็นหนังสือคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ให้ภาพรวมของพระพุทธศาสนาไว้คล้ายกับเราไปยืนดูตัวช้างทั้งตัวเห็นหมดทุกส่วนสัตว์ ทำให้เราเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาชัดเจนดีเป็นการมองจากมุมมองของคนสมัยใหม่ซึ่งเรื่องทำนองนี้ผู้ที่มีความรู้เจนจัดครบถ้วนในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ใดยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ประผมอยากข อ, อกราบเรียนให้ไปลองอ่านท่านจะมองเห็นภาพพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนในภาพรวม ส่วนหนังสือตำราที่กระผมอยากจะขอเรียนว่าเป็นงานแห่งชีวิตของท่านอาจารย์ก็คือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนคือในวงการพระพุทธศาสนาของเรามันมีปัญหามานานแล้วเกี่ยวกับคำพีพระไตรปิฎกคือคนไทยเราเมื่อไปเห็นคำพีของศาสนาอื่นๆเช่นคำพีไบเบิลคำพีอันกูรอานซึ่งมีเล่มเดียวจะเดินทางไปไหนก็ถือติดไม้ติดมือไปอ่านได้สะดวกสบาย เมื่อหันมามองคัมภีพระไตรปิฎกทางพระพุทธศาสนามีถึงสี่ิบห้าเล่มแต่และเล่มหนาสองถึงสมนิ้วตู้หนึ่งทั้งตู้เลยแล้วเราจะเอาพระไตรปิฎกทั้งส5บห้าเล่มติดตัวเดินทางไปด้วยไม่มีทางเป็นไปได้อันนี้เป็นปัญหาท่านอาจารย์สุดชีพท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านจึงพยายามย่อพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎก ลงเป็นพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนสมัยแรกขนาดที่ย่อแล้วก็ยังได้ตั้งห้าเล่มก็ไม่สามารถนำไปไหนมาไหนได้สะดวกเหมือนกันต่อมาภายหลังท่านพยายามอีกครั้งคราวนี้เหลือเพียงเล่มเดียวแต่ว่าก็ยังแปดร้อยหน้าอยู่ดีและก็ตัวเล็กจิว๋วถ้าผู้สูงอายุตาไม่ค่อยดีก็อ่านลำบากเหมือนกัน ท่านบอกว่าทำได้เพียงแค่นี้แต่ถึงกระนั้นท่านก็บอกว่าต้องตัดไปเป็นอันมากที่ซ้ำกันเช่นสังยุตตานิกายมีถึงห้าเล่มแต่เวลาท่านย่อแล้วเหลือเพียง19หน้าเท่านั้นเมื่อก่อนท่านถึงแก่มรณกรรมไม่นานกระผมมาพบท่านที่มหามกุฏมาถามท่านท่านอาจารย์ครับกระผมเสียดายท่านถามเสียดายอะไร เสียดายสังยุตตนิกายห้าเล่มซึ่งมีสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ท่านอาจารย์ย่อเหลือเพียง19หน้าทำไมถึงทำอย่างนั้นครับอาจารย์ครับท่านบอกว่าสังยุตตนิกายส่วนใหญ่เนื้อหาไปตรงกับที่มีอยู่แล้วในนิกายอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงย่อลงให้เหลือน้อยที่สุดและอีกประการหนึ่งถ้าคงไว้ให้มากหนังสือจะเล่มใหญ่เกินไปท่านว่ายอย่างนั้น ก็เลยเป็นอันว่าส่วนทั้งหลายนั้นถูกย่อลงเหลือเพียงไม่มากแต่อย่างไรก็ตามกระผมคิดว่าระรัยไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเป็นงานแห่งชีวิตของท่านซึ่งไม่รู้อีกกี่ปีถึงจะมีคนทำได้เพราะคนที่สามารถทำได้จะต้องเชี่ยวชาญแตกฉานในภาษาบาลีภาษาอังกฤษศึกษาเปรียบเทียบอย่างใกล้ชิดทั้งในพระวินัยปิฎก ประสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกจึงจะสามารถทําได้แต่ท่านอาจารย์สามารถทําได้และหนังสือเล่มนี้เท่าที่กระผมฟังประชาชนชาวบ้านที่สนใจทางพุทธศาสนาเขาก็บอกว่าเขาเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้มากเหลือกเกินเวลานี้ทางมหามกุตรราชวิทยาลัยกําลังแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็มีโครงการจะพิมพ์เอาไปไว้ตามโรงแรมต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้อ่านแต่ถ้ามีทุนรอนมากมีแรงศรัทธามาช่วยกันมากก็อาจส่งไปไว้ตามโรงแรมในต่างประเทศด้วยแล้วกระผมเองก็ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในการแปลพระไตรปิฎกฉบับนี้มีคณะทํางานเป็นอาจารย์หลายท่านแต่เมื่อทําจริงๆแล้วเห็นว่าเป็นงานที่ยากแสนสาหัสไม่ใช่งานง่ายๆ ต้องตรวจสอบกับต้นฉบับภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษสับแสงทั้งหลายที่ไม่มีก็ต้องค้นหากันเพราะต้องการให้เป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบสามารถพิมพ์เผยแพร่ในระดับโลกได้เพราะฉะนั้นจึงช้ามากแปลมาแล้วประมาณหนึ่งปีหเดือนยังไม่จบแต่ก็คิดว่าอย่างช้าที่สุดสักหนึ่งปีก็คงเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเวลานี้ก็ได้มาประมาณหนึ่งในสามแล้ว อันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่างานนี้เป็นงานสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านอาจารย์จะเป็นงานที่ไม่มีใครสามารถทำได้เท่าเทียมกับท่านเป็นอนุสร์แห่งชีวิตที่สำคัญของท่านอาจารย์นอกจากนี้ท่านอาจารย์ก็ยังมีหลายอย่างซึ่งกระผมไม่สามารถจะนำมาเล่าได้หมดแต่สิ่งที่จะขาดเสไม่ได้ก็คือคุณธรรมส่วนตัวของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่เพียงแต่สอนคน แต่ว่าท่านยังทำตามที่สอนด้วยท่านทำได้ทุกอย่างที่ท่านสอนสมกับพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่ายถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทำอย่างนั้นท่านอาจารย์ดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีอบายมุขใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องท่านทำหน้าที่ของท่านในฐานะต่างๆได้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครูผู้สมบูรณ์แบบของสิทธิ เป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบของลูกเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบของภรรยาเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์แบบของพระพุทธศาสนากระผมพยายามหาจุดบกพร่องของท่านอาจารย์ขอประทานโทษยังหาไม่พบครับแม้แต่กิริยาอาการที่แสดงถึงความโลภโกรธหลงก็ไม่มีตลอดเวลาที่อยู่ใกล้ชิดท่านมาหลายสิบปี ผมยังไม่เคยเห็นท่านอาจารย์โกรธกราฟัดกราเฟียดยังไม่เคยเห็นท่านอาจารย์นินทาว่าร้ายใครไม่เคยได้ยินจริงๆครับกระผมถามลูกศิษย์หลายท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันท่านไม่เคยพูดถึงใครในแง่ร้ายถึงแม้เขาจะมีความร้ายท่านก็เฉยซะไม่พูดพูดถึงแต่ในแงด่ดีท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องของครอบครัวไม่เคยพูดถึงเรื่องส่วนตัว ดำรงชีวิตแบบง่ายๆสมถะเมื่อก่อนท่านถึงแก่มรณกรรมไม่กี่วันกระผมมาทำงานที่มหามกุฏพอตอนเที่ยงกระผมก็เดินไปตามร้านเพื่อทานก๋วยเตี๋ยวเห็นท่านอาจารย์กาลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่ที่ร้านริมคลองบางลาพูนั่งอยู่คนเดียวยบิบๆกระผมเห็นเข้ารู้สึกสงสารท่านอาจารย์ ทำไมท่านถึงดำรงชีวิตเรียบง่ายอย่างนี้กระผมก็เลยขออนุญาตเป็นเจ้าภาพก็ได้ทำบุญกับท่านเป็นครั้งสุดท้ายได้เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งท่านอาจารย์เป็นคนแต่งตัวเรียบง่ายดำรงชีวิตง่ายๆไม่หรูหราฟู่ฟ่าใดๆทั้งสิน้นเป็นคุณสมบัติของผู้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงท่านที่เคารพครับถ้าจะพูดไป ก็คงกินเวลามากกระผมจึงใคร่จะขอฝากไว้ว่าบัด น, นี้ท่านอาจารย์สุดชีพซึ่งเป็นที่เคารพรักของพวกเราทั้งหลายได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วแต่การถึงอนิจกรรมของท่านในครั้งนี้ท่านกำลังสอนเราอย่างสอนเราอยู่แม้ร่างท่านจะอยู่ในโรงแต่ท่านก็สอนเราสอนด้วยการปฏิบัติจริงให้เห็นท่านสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเวลานี้ท่านกำลังบอกอยู่ว่าสังขารร่างกายที่นอนอยู่ในโลงในหีบเมื่อแปดสปีที่แล้วก็ไม่มีอาจารย์สุชีปุญญานุภาพเลยในโลกนี้แต่คืนวันหนึ่งจากไม่มีอะไรมาสู่เซลล์หน่วยหนึ่งในคันมารดาของท่าน ถ้าพวกเราไปเห็นเซลล์นั้นเราก็ไม่ทักไม่ทายเพราะเซลล์นั้นยังไม่ใช่อาจารย์สุดชีพหลังจากนั้นเก้าเดือนมีทารกตัวแดงๆร้องอยู่ข้างแม่ของท่านหลังจากนั้นมาหลายปีก็กลายเป็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาเป็นเด็กชายบุญรอดต่อมาก็ได้บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรบุญรอดต่อมาเป็นพระก็เป็นพระมหาบุญรอด เป็นเจ้าคุณสีวิสุทธิยานต่อมาก็เป็นอาจารย์สุชีปุญญานุภาพเป็นคุณพ่อสุชีปุญญานุภาพเป็นคุณตาสุชีปุญญานุภาพคุณปู่สุชีปุญญานุภาพจนในที่สุดนอนอยู่ในหีบเป็นศพสุชีปุญญานุภาพแล้วก็อีกไม่กี่วันก็เป็นเพียงกระดูกสุชีปุญญานุภาพ ที่เท่าสุชีปุญญานุภาพอีกไม่กี่สิบปีก็หายไปไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละครับท่านอาจารย์สอนเราด้วยของจริงว่าชีวิตไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสไหลไปตามทางของมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่เฉยเฉยเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น เราจะเห็นของจริงไม่ได้เห็นแต่ภาพชั่วขณะจิตหนึ่งภาวะจิตหนึ่งเหมือนเข็มนาฬิกาที่มันเดินอยู่ตลอดเวลาเราบอกเวลาไม่ถูกหรอกไม่มีใครในโลกนี้ที่จะบอกเวลาได้ถูกเพราะถ้าบอกเวลาว่าสองทุ่มสาสิบนาทียี่สิบวินาทีพอบอกเสร็จมันก็เลยไปแล้วเป็นอย่างน้อยหนึ่งวินาทีนี่คือหลักอนิจจัง ที่ท่านอาจารย์สอนเราอยู่เวลานี้ถ้าเรารู้อ น, นิจจังเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะให้สิ่งทั้งหลายไหลไปตามทางของมันไม่ไปยึดไปติดจิตใจเป็นอิสระเสรีเฝ้าดูสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปด้วยจิตใจที่สงบสุขความโลภจะลดลงเพราะไม่รู้จะกอบกลวยไปทําไมอีกไม่กี่ปีเราก็จะจากไปแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ทำแทบล้มแทบตายคนอื่นเอาไปกินหมดข้อสองที่ท่านสอนเราก็คือทุกขังความทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ท่านแสดงให้เราเห็นเกิดแก่เจ็บตายตัวไหนเป็นทุกข์มากที่สุดทุกข์ที่ร้ายที่สุด บางท่านอาจจะบอกว่าตายไม่ใช่ครับทุก์ที่หนักที่สุดคือเกิดเพราะเกิดจึงมีแก่เจ็บตายถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นเกิดเป็นตัวทุกข์ที่ร้ายแรงที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปแจ้งว่ามีคนตายถ้าเขาถามว่าตายด้วยโรคอะไร อย่าไปบอกว่าด้วยโรคชราท้องเสียมะเร็งเอสให้บอกว่าตายด้วยโรคเกิดจึงจะถูกต้องส่วนอื่นๆเป็นเพียงปัจจัยประกอบเท่านั้นเองเพราะเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอตรัสรู้เสร็จทรงเปล่งอุทานออกมาไม่ได้เปล่งอุทานประกาศชัยชนะเหนือความตาย แต่เปลงอุทานประกาศชัยชนะเหนือการเกิดว่าขีนาชาติความเกิดหมดแล้วนติธานิปุนนภาวาวรนี้ไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้วนัคพะเสยยังปุนเรไม่มีการเข้านอนคุดคูในคันอีกแล้วประการที่สามท่านอาจารย์สอนเราถึงอนัตตา อนัตตาแปล ว, ว่าไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราทรัพ์สมบัติไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่ดินรถยนต์เงินทองเสื้อผ้าเครื่องประดับไม่ใช่ของเราถ้าเราตายไปคนอื่นก็เอาไปใช้ถ้าคนในโลกนี้ตายหมดก็กองถมแผ่นดินในที่สุดแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราท่านอาจารย์สอนเราอยู่ เวลานี้สังขารร่างกายของเราที่เรายึดนักหนาว่าเป็นของฉันความจริงไม่ใช่หรอกครับถ้าถามว่าสังขารของเรามาจากไหนท่านก็บอกว่ามาจากอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าถามว่าข้าวน้ำมาจากไหนมาจากดินและแผ่นดินเพราะฉะนั้นตัวเราทั้งตัวมาจากแผ่นดิน แผ่นดินเป็นเจ้าของแท้เจ้าของดั้งเดิมเรายืมเขาใช้ชั่วคราวห้าสิบปีห0สิปีเจ็สิบปีท่านอาจารย์ยืมใช้83าปีพอถึงเวลาท่านก็ส่งคืนตัวผมเองยอมใช้มาเจสาปีแผ่นดินก็ทวงทุกวันเวลาเนี้ยอาจารย์ให้มานานแล้วนะส่งคืนสักทีเถอะ เราก็บอกแผ่นดินท่านเจ้าของขอใช้ต่ออีกหน่อยเถอะแผ่นดินบอกไม่เป็นไรแต่ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะถ้าดูแลดีก็จะให้ใช้ได้นานแต่ถ้าดูแลไม่ดีก็จะให้คืนเร็วแผ่นดินบอกต่อแต่อยากได้คืนเร็วๆให้ผ่อนสงก็แล้วกันผมบอกผ่อนสงก็ได้ครับ ค่อยๆถอนฟันออกไปทีละซี่สองซี่ส่งคืนเข้าจนจะหมดปากอยู่แล้วพอหวีเสยหัวผมก็ออกเป็นกระจุกติดออกมาเวลานี้เวลาเดินหลังไม่ค่อยตรงแล้วอีกสักหน่อยอาจต้องถือไม้เท้านี่แสดงว่าเจ้าของเดิมเขาเตือนแล้วครับเขาบอกว่าอาจารย์เกือบได้เวลาแล้วนะเริ่มมองหาซะจุดที่จะกลับบ้านเดิม จะเอาจุดไหนถ้าคิดได้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเรายืมเข้าใช้ชั่วคราวเราก็ไม่ทุกครับสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งสิน้นท่านอาจารย์แม้ท่านจะนอนอยู่ในหีบในโลงท่านได้สอนเราด้วยของจริงเพราะฉะนั้นเรามาในงานศพท่านและถ้าอยากจะตอบสนองคุณท่าน ก็ฝึกให้เข้าใจสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นธรรมชาติทุกสิ่งกำลังสอนเราอยู่สอนอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพูดในแง่ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์แม้จะถึงแก่ชีวิตไปแล้วท่านก็ยังอุตสาหสอนเราอยู่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ บัดนี้ก็ได้เวลาที่กระผมจะต้องยุติกระผมใครขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความเคารพรักในท่านอาจารย์จงตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็น้อมนึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทามาหรือด้วยบุญกิริยาใดๆก็ตามที่ทำด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนั้นแด่ท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาวะใดหรือไปเกิดในภพภูมิใดในสามภพก็ดีขอจงได้รับทราบส่วนกุศลที่เราอุทิศแก่ท่านถ้าท่านไม่สามารถรับรู้ได้โดยอุปสรรคใดๆที่มาขวางไว้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่ทรงศักดานุภาพโปรดได้นำข่าวกุศ ล, ลกรรมนี้ไปแจ้งให้ท่านได้รับทราบเมื่อท่านได้รับทราบแล้วจงอนุโมทนา ด้วยอำนาจปัตตานุโมทนาไม่กุศลนั้นขอท่านอาจารย์จงมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในภพของท่านหากจะมีเศษทุกเดใดเหลืออยู่ด้วยเศษแห่งกรรมใดๆก็ตามขอให้ท่านอาจารย์จงพ้นจากความทุกข์นั้นโดยพลันเทินจบบทความคุณลักษณะพิเศษของอาจารย์สุชีปปุญญานุภาพ ประจักถาของศาสตราจารย์เกียรติคุณแสงจัน ง, งามสำหรับที่มาของเนื้อหาที่นำมาอ่านนำมาจากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมเสียงอ่านโดยโจโฉ ช, ชมรมผลดีบุญใดก็าตามที่เกิดจากการทำเสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเผยแพร่แจกฟรีไปทั่วโลก ขอผลบุญนั้นน้อมถวายส่งบูชาคุณแด่ท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพด้วยเธิน